อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับเสียงที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงต้นเทปขอหนังสืออัน ก็ปรากฏว่าตาไม่เห็นเส้นหมึกต้องเลิกเขียนให้ใช้การบันทึกเสียง kan ja zal het zwaardig allemaal zijn gereden Maar reiterate tijdens het tax hoten worden die zaal gelieerd zijn om twee samenleardı Het ascendrat is om nieuwe het zwaarding aan te brengen พระ 2 คนพูดเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนัก 300 คนจริงๆแล้ว 300 คน de waarder la, bang, hij, op, bank bang, voor kwam een football In die, kunt u, beman, som, kon, zet. Tang, mot, ni, tang, wat, lub, lieng. Leng, ahan, hij, zier, pa, hij, ja, kan, zaar, zi, เมื่อน้ําท่วมมาแล้วปรากฏว่าท่าน เป็นอันว่านักเป 18 ธันวาคม 2551 ก็แจกเสื้อแจก พระ 2 รอบคือรอบ 1 แก่ 2 เอ่อ 300 ปืนและ 2 แก่กับ 300 ปืนรวม 600 ปืนเครื่องแต่งตัวที่ 2,000 ชุดเศษคือ ik een Ik heb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 ก็เลยแจกนักเรียนแล้วเป็น 600 ผืนด้วยกันสําหรับการแจกเสื้อแจก บรรดาท่านทั้งหลายอาจจะคิด เมื่อไปถึงดาวดึงส์ครั้งแรกแรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดา 2 องค์คืออินทกะเทพบุตร 2 ท่านมาก่อนเทวดาอื่นท่านนี้พระอินทรัตน์อยู่ก่อนนะเพราะพระอินทรัตน์อยู่ ท่านอังคุลอเถบพุทธนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายอินทกะเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างขวาต่อมาเมื่อเทวดาองค์อื่นมาอังคุลอเถบพุทธก็ถอยอินทกะนั่งที่เดิมเมื่อเทวดามา พระพุทธเจ้าหวังจะประกาศผลของการบำเพ็ญศีลนอกพระพุทธศาสนากับในพระ dat de ook in de meubelden, die bekaat dat dat haar koort martin door red. Ter een nang kan dat bij kans icon dat haar koort. dat een man die tijtel nang Ja, ik en mijn naar อังคุลัพพเถระประมุขจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าบันตีภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นมหาเศรษฐีเวลานั้นคนมีอายุ 80,000 ปีอีก 20,000 ปีให้ตั้งโรงทาน 80 แห่ง nu medication studenten 1 feedback 1 naar energy 1 een verasteel van GE felt 20 geren. En verhaal is welke Android en klanten�isme verhe transformed een duur crazy год te kמה waren. Maar dan is methGS niet op sloten on 큰 gebouwen. Die mensen zijn niet helpen op zijn land en we hanya hebbenzaal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 ยังเป็นเทวดาบน 1,000 เป็นบริวารแต่ถ้าว่าสําหรับเด็กที่ จึงจะเข้าได้แล้ว 4 ได้คือ 1 รู้ไดได 2 พูด 3 ช่วย 4 ไม่ แล้ว 4 คือเมตตาความรักกรุณา 10 ปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ ไม่อยู่เข้าแตกกันไม่พูดเพ้อเชื่อเหลว โดยรวมความว่าเด็กทั้งหมดมีศีลมีธรรมมีสมาธิพอสมควรกันพลั้งพลาดไปบ้างเป็นของแต่บรรดา ก็เห็นจะเป็นอย่างน้อยที่สุดท่านต้องได้สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แน่นอนเอมีศีลมีมีศีลเป็นปกติมี ik heb een zombie, een het een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een naam, een ท่านอินทกะเทพบุตรนั่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เข้าไป ถ้ายกไปอินทร์ซะแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าไม่มีใคร นั่งอยู่ใน ยินตกะได้กล่าวทูลอองสมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าใน สนองความดีของแม่ที่ตะเลี้ยงมาอัน <c oughs> Mio ga ik ling kwam tamtana. Pien maar goed, ja, goed. Kau, wat dat je kauwdio, dat je kauwdio, kom, bewijs, dat je kauwdio, dat je kauwdio, dat แล้วก็มีวิมานสวยสดงามมีความสุขมากนี่ละบรรดาญาติพุทธบริษัทการบําเพ็ญกุศลในศาสนาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามี <c oughs> Ik heb een sneed dat de de goden echt waren, dat de meeting, echt was, dat meeting hemel echt meeting, een de meeting. een was, meeting. dat de een paar was, dat de hemel alpen thewada jorn. Nen is thewada die is geerd maar. Vraatmij mij, is me tien pome kun. Mie praat die kun je tien. Geerd praat kun geerd watmij godi geerd watthaat godi kun, meer. Waar geerd watthaat godi. Waar geerd watthaat godi. Waar geerd watthaat godi. Waar geerd พอมีคนทําบุญยังกุศลมาก <c oughs>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 อาตมาคนประเภทนี้ก็เกิดขัดใจหาทางกั่นแกล้งทุกอย่างเพื่ออาตมาไปจากวัดนี้อาตมาสร้างแล้วหลายชิ้นหลายอย่างลงทุนไปล้านบาทเศษเพื่อพระพุทธศาสนาก็เป็นเงินธรรมดาทางพุทธบริษัททุนหน้าให้มาก็คิดว่าเราทําเพื่อพระพุทธศาสนา แต่มีความจำเป็นต้องอยู่ความจริงไม่อยากอยู่มาใช้อำนาจอย่างนี้เราก็ยอมๆฟ้องร้องบ้างหาทาง ก็มีท่านใหญ่คุณราชทัตนโมลีพระแก้วเจมฟ้าเจริญราชทนกวีวานังคารามเป็นเจ้าคุณเทพเวลานี้แล้วก็เจ้าเวลปัจจุบัน แล้ววัดเออดื่มวัดเสร็จแล้วนะและจะคุณราชรอง <c oughs> วัดไตรมิตรคือว่าเจ้าคุณนึก 12 ธันวาคม de margadje kun laten แล้วก็ธพันธุ์ 12 ธันวาคม 2531 อาตมากําลังป่วยมากทราบข่าว วัดท่าสูงจะตั้งขึ้นมาได้และเจริญรุ่ง ในวันที่ 18 ธันวาคมมันยัง 18 เป็นเวลา 4:00 น. นก็นั่งนอนภาวนาอยู่ อันดับแรกท่านก็ต้องไปดูที่สำนักพญายมกาลเพราะยังไม่ 10 วันกว่ามื้อนี้ไปพอไปถึงท่านลุงผู้ใหญ่นาย ท่านเมธีเอ่อลาติปินนามท่านเรียกชื่อเดิมก็บอกว่าใช่ถ้าว่าคนชื่อ ไม่ต้องทรมานแต่ความดีของท่านจะมีเป็นประการใดบ้างกับคนอื่นอาตมาไม่ทราบ hoe kan ik dat doen? Ik kan niet doen. Ik kan niet doen. Ik kan niet doen. Ik kan niet doen. Ik Ik Ik Ik Ik Ik Die ท่านต้องไปถามปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นเลขานุการบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิวโลกก็ลา คนนุ่งผ้าเขียวเป็นมรรยาทแพรวพราวแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแพรวพราวเป็นยักษ์ถามท่านว่า dat kop, Ik heb een kop. Ik heb een kop. Ik heb een kop. Ik heb Ik heb een kop. Ik heb een kop. Ik Ik Ik heb een Ik Puthsom heeft deelname de watfaraam roege, maakt deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname deelname ผมไปนั้นจิตผมเป็นธรรมจริงๆไม่มีใครอื่นไม่มีคนอื่นช่วยไม่ใช่จะไปคิดอยากๆกําลังใจ รู้สึกว่าปกคลุมรูปโล่หน้ามืดพร้อมหน้ามืดไม่เห็นสิ่งภายนอกก็ปรากฏสิ่งที่ภายจริงๆเห็นท่าน ตอนนี้ปรากฏว่ามีร่างกาย 5,000 คนเป็นบริวารเค้าเรียก 5,000 คนอะแล้ว 20 นาที ขอความ